หนึ่งยในยะสำคัญของสยะคืออาศัยนิสัยวิสัยอนุสัยสยะคือตนเองคล้ายกับสกะหมายถึงความเป็นตนเองส่วนอาศัยก็คือเราใช้จิตใจนั่นแหละเป็นที่เป็นไปอยู่ไปทำไปสุขไปทุกข์ไปพักไป ตามที่เรามุ่งหมายมโนสันเจตนาสำหรับนิสัยหรือนิสัยก็คือจิตใจของเรามีความเคยชินเป็นลักษณะเฉพาะตนอย่างใดก็อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอๆ ส, ส่วนวิสัยนั้นก็คือนิสัยที่สั่งสมแน่นลึกลงไปยิ่งยิ่งขึ้นในจิตใจตนเองจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่านิสัย แต่ยังไม่ลึกและผนึกแน่นลงไปในจิตใจเท่ากับอนุสัยจิตขั้นวิสัยจึงยังพอแก้ไขได้ง่ายกว่าอนุสัยคำว่าวิสัยจึงมีคนเอามาใช้ในความหมายว่าอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ possibility แต่ถ้าสุดวิสัยก็เป็นไปไม่ได้เลย impossible ก็มี ถ้าเป็นอนุสัยก็คือความฝังลึกของความเป็นตนเองส ย, ยะลึกมากจนแก้ไขา ย, ยากมากผู้จะแก้ไขได้ก็ต้องใช้ความรู้ขั้นอารียภูมิของพระพุทธเจ้าอย่างสั ม, มาทิฐิจึงจะแก้ไขได้ผู้แก้ไขตนเองเปลี่ยนอนุสัยให้เป็นดีขึ้นได้ก็เป็นวิสัยที่จะมีพลังงานที่พิเศษขึ้น จากความมีพลังงานเดิมคือเป็นวิสัยใหม่